الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا ق و มอ ل ا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ศ ل ัท ا า ح ละศรั م ธาด้วย ا ระนามอัล ن อ ا ์เราจงอธิษ ا านต่อพระอง م الحكيم ว ب มศรัทธาและศรัทธาด้วยพระน ل ع ق د ล من لساني ي งอธ و ษฐ ا ل l a h มะฮดิหุลูบะนาบิลคุราน Allah มะนูร์ุลูบะนาบิลคุราน a l l a มะอรซุกช ف ا ع ะต์คุรานีบระห์มติคัยาห์มรามน الحمد لله ซูร่าต์ลุตัฟซีตินะครับเราได้ฟุตคุยได้อธิบาย ไปพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะได้บอกกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นก็ เ, เรียกว่าสิ่งที่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆจะจะเป็นบาปใหญ่เป็นบาปที่อัลลอฮฺซุบฮานะนั้นเอามาคำนวณเอามาคิด กับเจ้าของบาปในวันเกียรติมัและมีผลที่ร้ายแรงมากเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามทําเป็นเล่นๆกับมันแต่ว่าในทัศนะของอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺเรื่องเหล่านั้นกลับไม่ได้เล็กเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของการช่อบโกงเรื่องของการเล็กกินน้อยเรื่องของการไม่สนใจ ว่าความประพฤติของตัวเองนั้นจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือเปล่านะครับนออุเบลขาใหมินได้อัลลอสุบันาะอวตตะลาได้บอกอย่างชัดเจนว่าคนที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นคือผู้ที่ไม่มีความศรัทธาต่อวันอัครัตไม่ได้คำนึงถึงชีวิตอีกชีวิตหนึ่งหลังจากที่พวกเขาจะต้องตายไปนะครับ อลาฯย่ณูเหลาอัก็อัลนะฮ์มมับ عوث ุนลียูม์หน้าอื่นยูมยา ق ู م ุนน้าสุลรอบอัลลอฮฺมินพวกเราทุกคนนั้นการกระทำของเราทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮฺสุบฮานะตะละจะให้มะไลกะจดบันทึกไว้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนมากสองโซลลักที่ผ่านมาเราแต่ละก็ได้พูดถึงการจดบันทึกของมะไลกะ ขับคิรามบรารคิรามิมบราระขเลอนสันุมะกะไม่มีดที่ถกสร้างสรการขมันเป็นเจเอาล่ะครับวันนี้ถึงจุดที่เป็นเรื่องอันตรายอีกเรื่องหนึ่งเทวรัตลาพูดถึงผล ของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัท ธ, ธาต่อวันอัคราฐและมีพฤติกรรมที่เต็มไปด้วยการฝ่าฝืนพระองค์ล็อกสุขภาพนะครับวันนี้เราจะเรียนตั้งแต่อายัดที่14เป็นต้นไปแต่ก่อนอื่นเราจะอ่านตั้งแต่ต้นสุร่อเลยนะฮะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل ل ل م ط ف <تصفيق> <تصفيق> ا ل ل ذ ي ن إ ذ َ ا ت ت ا ل و ا ع ل ى ا ل ن ا س ي س ت غ و ف و ن وإذا ََِ ا ل و ه ُ م أو وزنوهم ُ يخسرون ُ وإذا َ ا ل و ه م أو وزنوهم, يخسرون أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك ب ع ُ ث و ن على أن لا يكأن لهم بعضون ليوم عظيم يوم ي ق و م و ناس لرب العالمين. ياومي يوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجن س ي ي كتاب م ر ق و م وإلوي و م إذ ل ل م ك ذ ّ ب الذين، والذي يكذبون بيوم الدين. ว่าไมِคดบุบُ่นُّุหมูตัดอินَสิน إذا تطلع عليه آياتنا قال ساطير الأول เคล่า ثمّ يقال هذا الذي كنتم به تكذّب ทำดุริแลนะครับอายัดที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดหนึ่งถึงสิบเจ็ดนี่เป็นเรื่องเดียวกันอัลลอฮ์สุภาอัลตัลาพูดถึงบรรดาผู้ที่ทำชัว่วพี่น้องครับลองสังเกตดูให้ดีในศาสนาอิสลามสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สุภาอัลตัลาห้ามไม่ให้เราทำพี่น้องลองสังเกตดูไหมครับลองนึกดูในอิสลามมีอะไรบ้างที่พระองค์อัลลอฮ์สุภาอัลตัลาห้ามไม่ให้มุสลิมทำ ลองนับดูสิครับมีเยอะไหมในสุรุตุลอันงามาราอ่นสุรุตุลอันงามตั้งแต่อายัดที่151เป็นต้นไปเราจะพูดถึงข้อห้ามต่างๆในสลาอุล تعالىو أ ت ل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ว่าแต่เราพูดถึงในเรื่องนี้สิ่งต่างๆที่พระอาห้ามสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือว่าหนึ่งในจํานวนสิ่งต้องห้ามในอิสลามก็คือการช่อโกงในเรื่องของการตวงการวัดการค้าขายนะครับการไม่ยุติธรรมในการทํามาค้าขายในการทำธุรกรร การห้ามที่ว่านี้รวมถึงสิ่งต่างๆที่เร า, าสัจจะห้ามเนี่ยถ้าเราสังเกตใช้เขาเรียกว่ า, ามโนสํานึกที่ถูกต้องนะอย่าใช้อารมณ์ไปต่ําของเราแต่ใช้เขาเรียกว่ามโนใช่ไหม ม, ะมะโนอะไรอะสำนึกกำ ม, มือนันดานที่ถูกต้องพี่น้องจะเห็นชัดเจนว่า อิสลามไม่ห้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเสียจากว่าสิ่งนั้นจะมีโทษอย่างเป็นรูปธรรมต่อตัวเขาเองและต่อผู้อื่นไม่มีครับไม่มีสิ่งใดที่อัลลอลาห้ามเราแล้วเราเสียประโยชน์อัลลอลาไม่เคยห้ามสิ่งที่มันสิ่งที่มันพอเราพอเราไม่ทํามันแล้วเนี่ยเราเสียหาย ในทางกลับกันอัลลอฮฺห้ามเราเนี่ยเพราะว่าอัลลอฮฺรู้ชัดเจนว่าสิ่งที่พระองค์ห้ามเราเนี่ยมันสามารถก่อความเสียหายให้กับเราได้ห้ามไม่ให้เราชีริกต่อพระองค์เพราะมันสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์นะการชีริกเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์ทําให้มนุษย์งมงายทําให้มนุษย์จมปลัดอยู่กับความสกปรกไปนั่งดูสิศา ส, สนาที่เต็มไปด้วยชีริกหรือคําสอน ที่ไม่มีที่มีพระเจ้ามากกว่าหนึ่งองค์เป็นยังไงอัลลอฮอักบัรจินตนาการไม่ออกนะจินตนาการไม่ออกไม่รู้จะพึ่งใครนะวันนี้สีแดงมีพระเจ้าหนึ่งองค์พรุ่งนี้สีเขียวพระเจ้าอีกองค์หนึ่งพรุ่งนี้สีฟ้าพระเจ้าอีกองค์หนึ่งเวลาไปนาก็พระเจ้าองค์หนึ่งเวลาไปทะเลพระเจ้าองค์หนึ่งเวลาไปฮะเวลาไปภูเขาก็พระเจ้าองค์หนึ่ง อัลลอฮ์นะเวลาแขวนเวลาแขวนเนี่ยพระเจ้าหรือว่าพระเจ้าที่จะให้จะให้มีชีวิตกําไรอีกองคหนึ่งพระเจ้าป้องกันอุบัติเหตุอีกองคหนึ่งพระเจ้าวเวลาข้านอัลลอฮ์สกปรกนะครับโรงงานนัง่งจะเป็นแหล่งเป็นแหล่งางกลายเป็นภาระของมนุษย์นะครับกลายเป็นบ่วงที่รัดคอไม่ให้ออกไปจาก อกลายเป็นหนาวก็เป็นร่าเป็นระลึเราก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเวลาที่นะเวลาไปที่ตรงหนึ่งก็ต้องมีเจ้าที่ของเขาแล้วเวลาไปที่หนึ่งก็ต้องมีเจ้าที่ของเขานะเหนื่อยมากนะเวลาแล้วเวลาไปต่างประเทศล่ะจะไปหาเจ้าที่ยังไงหรือว่าเจ้าที่นี่มีเฉพาะประเทศไทยนะพอไปประเทศอื่นต้องไปไหว้เจ้าที่ก่อนไหมหรือว่าอเมริกานี่ไม่มีเจ้าที่ แล้วเวลาไปอังกฤษเวลาไปฝรั่งเศสเนี่ยมีเจ้าที่ฝรั่งเศสไหมเมืวอยถึงสนามบินปุ๊บไหวเจ้าที่ฝรั่งเศสก่อนเห็นไหมครับน้าอุบินแหละมินดาเล็นี่คือความเชื่อของของผู้ที่นะตั้งภารกิจตอพระผู้เป็นเจ้าอัลฮัมดุลิลละนะของเราเนี่ยหนึ่งเดียวพราะองาอัลลอสฺทรวางหละแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็เถอะจะไปอยู่นอกโลก จะไปอยู่ก้นทะเลจะไปอยู่ที่ไหนก็เถอะในถ้ำที่ไม่มีไม่มีใครสักคนหนึ่งอัลลอฮุสซาลลันบียูนุสอะลัยฮิสซาลลมจําเรื่องราวของนบียูนุสไหมครับพี่น้องเคยฟังเรื่องราวของนบียูนุสไหมนบียูนุสคือนบีที่ถูกปลาวานกลืนเข้าไปอยู่ในท้องทาอะไรไม่ได้ถูกปลาวานกลืนเข้าไปอยู่ในท้องร่างกายนี่บุบบูบี้หมดเลย พูดไม่ได้นะจะพูดอะไรก็ได้ได้แต่ทำปากบุกนิดขอดอาอจอัลลาละวะุบฮานะนีุตุบินัลลีลาอิละอิลลัอันตะสุบฮานะนีุตุบินัลลแนแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลพระเจ้าแห่งท้องทะเลพระเจ้าแห่งเปลววานพระเจ้าพระองค์ทรงได้ยินคำวิงวอนของท่านอบุลุสลัฮิสลม ที่บอกว่าอย่าอัลเลาฉันทําผิดต่อพระองค์ลา il อิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัลวานี่ดูอาอที่เราควรจะต้องใช้เวลาที่เราทําผิดที่เรามีเรารู้สุกว่าบาปขอเราหนักมากนึกถึงดูอาอของนบียูนสุนสอ่าวัสอะลานซงรับฟังก็เลยให้ปลาวางขายออกมาแล้วก็เคยตื่นเคยตื่นไปอยู่ที่ชายหาดเนี้ทําอะไรไม่ได้ขยับตัวไม่ได้นะไม่มีแรงที่จะขยับตัว รัศสารก็เลยให้มีต้นไม้นะป้องกันแดดให้มีต้นไม้ขึ้นมาปกคลุมนะบางบางก็บอกว่าเป็นต้นอะไรนะปักทองที่มีใบใหญ่หญๆต้นที่เป็นไม้เลื้อยนะขึ้นมาเลื้อยแล้วก็ปกคลุมร่างของท่านนบีอยูน่นุแล้วก็ให้แพะให้แพะที่มีคนมาเลี้ยงแพะเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงแพะแบบปล่อ ย, ยให้แพะที่เป็นแม่นมเนี่ยเดินมา แล้วก็มาถึงปากของนบีอูนุสแล้วก็ให้ให้เต้านมนี่ตรงกับปากของท่านพอดีท่านก็ได้ดูนดนมแะวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งมีแรงถามว่าใครที่ทําให้ท่านนาบีอูนุสรอดออกมาจากออกมาจากเจ้าที่ที่ไหนฮะนม่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็จะ ق ุ ل ฮูลลอ้อัลลอฮฺอัลลอฮฺสัมบัติเลมย์การตั้งพักนี้ ทำให้มนุษย์สับสนเจ้าแต่ละคนก็มีเจ้าไม่เหมือนกันถ้าเรามีพระเจ้าหลายองค์เดี๋ยวพระเจ้าอันนี้จะว่าเอ้าพระเจ้าสีแดงบอกว่าไม่เอาฉันจะกินไอ้นี่เอ้าเอาพระเจ้าสีเหลืองอ่ะฉันจะกินไอ้นี่รบกันเองระหว่างพระเจ้านี่แหละที่เราะตราคนะหนอักว่ะถ้าหากว่าโลกนี้มีพระเจ้ามากกว่าหนึ่งองค์นอกจากอัลลอฮฺเนี่ยท้องฟ้า แผ่นดินเสียหายหมดเน่เพราะอะไรอ่ะพระเจ้าองค์แรกบอกว่าวงฟ้านี่ต้องว้างต้องเป็นสีฟ้านะเอาพระเจ้าองค์ที่สองบอกว่าไม่เอาสีฟ้าไม่เอา้าต้องเป็นสีดํำนะเอาตกลงจะเอาอะไรไม่มีนะมันเกิดไม่ได้เอาแผ่นดินก็เกิดไม่ได้พระต้าฮางมีพระเจ้ามากกว่า น, นะผมนะเพราะว่าไม่รู้จะเอาทัศนะของใครสู้กันเองเพราะฉะนั้น สร้างความสับสนให้กับมนุษย์มากกว่าจะสร้างความรู้สึกมั่นใจมั่นคงมั่นใจมั่นคงแล้วก็ยึดมั่นยึดถือต่อพระองค์ oh. สุภาพบุรุษอะไรห้ามไม่ให้เราทำตัวอักกตันอยู่ต่อพ่อแม่มีระบุโทษชัดเจนว่าใครที่อกตันอยู่ต่อพ่อแม่เป็นยังไงเป็นกฎหมาย ทุกอย่างที่เราบอกว่าถูกระบุในอัลกุรอานก็คือกฎหมายไม่ต้องเคยเห็นกฎหมายประเทศไหนที่ระบุว่าใครที่ทำผิดกับพ่อแม่ถูกระบุในกฎหมายถูกระบุในรัฐธรรมนูญของประเทศมีไหมห้ามอะไรเอกนะในสุราและนะอามีพูดหลายอย่างห้ามซีนาห้ามผิดประเวณีห้ามผิดผัวผิดเมียคนอื่นถูกระบุ ในรัฐธรรมนูนระบบทกชัดเจนเป็นกฎหมายห้ามช่อโกงตาช่างเนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระศาลาห้ามเนี่ยไม่มีที่ว่าบอความเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าถ้าทําทุกอย่างมันเกิดมันเกิดผลดีต่อมนุษย์ทั้งสิ้นถ้าไม่ให้ดื่มเหล้าห้ามนี่เพราะฉะนั้น อ๋อว่ะว่ะถ้าเราจะบอกว่าศาสนาอิสลามคือสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของเราวัฒลธรรพยายามป้องกันเราไม่ให้ต้องเจอกับความไหชนะก็เลยห้ามาล้อมกรอบเราไม่ให้ตกหลุมไม่ให้ตกลงไปในกับดักไม่ตกลงไปในลมไม่ตกลงไปในคูสร้างเอาไว้เนี่ยอย่านะฮุดูดุลลอ อาบในภาษาักุรอานเรียกว่าขอบเขตของลอชบาลตะลาถ้าออกไปค้นขอบเขตของลอตละลาปุ๊บจเพลทันทีนะครับนี่คือประการที่ที่เราจะบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮฺห้าม น, นอกเสียจาว่าสิ่งนั้นต้องเป็นโทษให้กับเราเพราะฉะนั้นอย่าพยายามที่จะออกนอกกรอบเพื่อที่จะไปทำสิ่งที่ต้องห้ามมันจะเกิดโทษกับตัวเองนะครับอันที่2 <Yeah. S 1> ในสุรษงนี้ ในส ورة อัลมุทัฟฟิฟินเองอัลลอฮุซซามตลลาลลอ่าคนที่ทำผิดมา ก, มากหรือคนที่มนุษย์ที่ชอบแหกกฎของลัทธิสุบฮานจะอะไรส่วนใหญ่หรือ นะส่วนใหญ่ของของพวกเขาเหล่านั้นก็คือพวกที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคราตว่มาอยู่แค่ดบุบีฮีอิลละคุลูมัตาดินอัซิมเพราะว่าไม่มีใครที่ศรัทธาต่อวันอาคราฐจะทำผิดด้วยความสบายใจถามว่า ม, มุมินมีไหมครับที่ทำผิดต่อร่องสุภาตาละมีนะบางคนอาจจะเป็นคนดีคนอะไรแต่บางครั้งก็ทาผิดได้ แต่ถามว่าการทำผิดของคนที่เป็นมุมินกับการทำผิดของคนที่ไม่ใช่มุมิมเนี่ยต่างกันไหมมุมินเวลาทำผิดนี่อยู่ไม่ได้ใจมันร้อนรุ่มนะท่านนบีบอกว่าอัลอิสมุมา حاك ف อะไรนะอัลลอฮฺสัลลฺมุอะลลอฮฺอัลลอฮฺสัลลฺมุลลอัมุมา حاك في ن ك و ن يطلع ع ل ا ل ن كما อ ะ, ะทเสแล้วนะความผิดก็คือสิ่งที่มารบ ก, กวนหัวใจของเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าไม่อยากให้คนอื่นไมนี่คือบาปของโมกมินโมกมินเห็นบาปเหมือนกับภูเขานะบาปเหมือนกับภูเขาเห็นบาปเหมือนกับภูเขาที่พร้อมจะถล่มลงมาโดนหัวเขาตลอดเวลาในขณะที่คนกาฟเฟ็คนที่ปฏิเสธอัลลอ์เห็นบาปเหมือนกับมแมลงวัน มาเกาะที่จมุกไล่ไปมันก็ไปนี่คือความแตกต่างของคนที่ทําผิดมกมินเวลาทําผิดสมมุติเพิกเฉยทำผิดควบคุมตัวเองไม่อยู่จะรีบรุดกลับตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานาในขณะที่บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันอัครย์จะทําผิดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่คิดที่จะกลับตัวต่อเพราะอัลลอฮ์นะครับและเวลาที่เราบอกว่าเนี่ยอัลกุรอานบอกว่าถ้าเจ้าทําผิดอย่างนี้ เราจะต้องเจอกับบทลงโทษอย่างนี้พวกนี้ก็เยอะแยะกล่าวหาใส่ความว่าอสซาตีรุลอวารีเอานิทานอะไรมาเล่าเอานิยายปรำปราอะไรมาบอกกับเราเราไม่เชื่อนี่แหละครับที่อัลลอฮฺซุบฮฺตะอลลจะบอกเราในอายะฮ์ที่สิบสี่ว่ากัลลาไม่คำว่ากัลลาตรงนี้เป็นการปฏิเสธพร้อมๆ กับการตะวาดกันละไม่ไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เจ้าพูดออกมาสิ่งที่เจ้ากล่าวหามาสิ่งที่เจ้าอะไรถากถางเยอะเยะเยมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่พวกเจ้านั้นคาดคิดที่บอกว่าอัลกุรอานคาสอนของอัลลอฮ์เป็นเรื่องปรำปาราเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องไร้าสาระเราต่าปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าไม่ใช่อย่างนั้น แต่มันเป็นเรื่องจริงอะมันเป็นเรื่องจริงที่พวกเจ้าจะต้องได้เจอกับมันอย่างแน่นอนกันละนะครับกันละบัลรานอาลากลูบิห์มมะคานูยักซิบูนรานบัลรานอาลากลูบิห์มมะคานูยักซิบูน สิ่งที่เป็นสาเหตุจริงๆที่ทำให้คนพวกนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้ก็คือราน على قلوبهم คำว่ารานนะครับอ ร, รยินุ ي า ت ر ي قلوب الكافرين والغيم للابرار و ا ล غ ي لل ล للمقربين นะครับอรรยหมายมาึงอะไรครับรานยังม่คำว่าอรรยน ควาหมายของคว่ารนก็คือมินัลไรน์ وهو الصدق الذي يعلو الحديث و ا ل م ر ا وما يشبههما หมายความว่าไรน์มาจากคาว่า ص o ق ص ด ق ในภาษาอกฤษเนี่ยหมายถึงสนิมรัน على قلوبهم ยานี้มีสนิมเหมือนกับว่ามีสนิม มะกกาะที่หัวใจของพวกเขาม้แก้นูอยักซีบูลเนื่องจากความชั่วที่พวกเขาได้ก่ะเอาไว้มีฮะดิษนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้พี่น้องต้องตั้งใจแต้องพยายามเข้าถึงประเด็นนี้ให้ดีเพราะเป็นประเด็นที่อันตรายมากนะครับหัวใจเนี่ยเป็นราชาอาวัยวะทั้งหมดในร่างกายของเราจิตสำนึกทั้งหมด ทุกอย่างที่เป็นของมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เป็นตั ว, วควบคุมก็คือกุะก้อนเนื้อที่เรียกว่าหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าหัวใจสกรปรกหัวใจมีสนิมเหมือนที่อลัลลอฮฺบอกว่ากะละบัลรนอลกุลูบิฮิมะกานยักซบูนเนะี่ยนะจะเกิดผลต่อมนุษย์ไม่ให้รับนะไม่ไม่สามารถที่จะรับหิดายัตได้อีก มีฮัจิดนะครับที่เคียวคองนะเป็นการท afsir เรียกว่าท afsir เอาฮัจิดไปท afsir อายัดอัลกุรอานฮัจิที่รงานโดยอิหมมอัตตรมิซีจกอบีฮุไรดลุอ้อลลอฮุอัะัลลัมาอินนัลบดะาะบะมนคานตนุตนดีัลบฟานบมินฮะซัคุลัลบไอาดลัยฮฟ وإن زاد زادت حتى تعلو قلب قلبه وذلك هو الران الذي ق ا ل الله في شأنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسقو ن นี <ت> ่แ <ص> ส <في> ด <ق> งงันจากอบูฮุไรรงนะครับบอกว่าท่านนบีสุลต่านบอกว่าแท้จริงแล้วบราก็คือพวกเราทุกคน อินนัลอาบดะท่าจึงเล่าบ่าวของหลุ่มอิ้ ذا อัลณ์บาดัมบะมอไรที่เขาทำผิดหนึ่งผิด ถ้าหากเขากลับตัวจากความผิดที่เขาทำซกอุลกลบุการอิสติฟารการขออภัยโทษของเขาเนี่ยจะไปลบแ้บดำที่ตัวแ้งเนี่ยทำให้หัวใจเนี่ยสะอาดกลับขึ้นมาใหม่วาอินซาดะไอซินูซาดแต่ถ้าหากว่าทำครั้งที่หนึ่งเฉย ทำต่อไปครั้งที่สองเพิ่มจุดดำเข้าไปอีกนะฮะเาเรียกว่าทาสีหลายชั้นนะบ้านเราถ้าเราชั้นเดียวเนีย่ยบางทีมันก็นะมันดูจืดๆแต่พอทับทาซ้ําเข้าไปครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็นะน่าหงุดหงิดไปละเหมือนกับเอาสนิง ม, มาทาที่หัวใจทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอัลลอฮฺอัลลอฮฺกีก Allah bar, ่ปีแล้วที่เรามีชีวิตอยู่และ มากน้อยเท่าไรแล้วนะครับที่เราทำบาปต่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ลาอิลาห์อิล allah ลาอิลาห์อิล allah زادت حتى تعلو قلبه النبي บอกว่าถ้าทำบาปคราไปอีกและไม่ยอมตอบบตตัวต่อบล็อกเราจะแหละจุดดำก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มจนกระทั่งมันปกคลุมหัวใจของเขาทั้งหมดวาซัลิกะฮุวรรอนนั่นแหละคือรอน ที่ Allah t a a l า, บ อ, า บ, บอกในพระดารักของพระองค์ว่าั ล, ละบัลรานะอาลัยหัวใจขอคพกเานูยักสิบไปน้องครับมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้หัวใจของเรานั้นต้องเ็าเรียกว่าหมดสภาพหัวใจถ้ามีสนิมอย่างนี้มันหมดสภาพมันไม่ทำงานละเราจะใส่นะ ขดยัตเข้าไปในหัวใจเนี่ยหัวใจเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเป็นแหล่งภาชนะเป็นเหมือนภาชนะเป็นเหมือนกละมังกละมังที่จะคอยรับเอาน้ำฝนเพื่อเอามาดื่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหัวใจส ก, กปรกถ้าภาชนะของเราส ก, กปรกเนี่ยน้าฝ น, นมันจะสะอาดยังไงก็เถอะน้าฝนก็เหมือนกับอลัอลกุรอานอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาจากฟ้า เวลาที่มันลงมาเนี่ยมันจะต้องลงมาที่หัวใจท่านนบีสุลต่านละฮ์สัลลัมรับอัลกุรอานด้วยหัวใจนะ ل b ا ل ل أ ع ل ى ق ل ب ل ت ك و ن م ا ل م ن ز ر ي ن พระเจ้าเาบอกว่าอิบริลซงอัลกุรอานมาพร้อมกับอัลกุรอานเนี่ยมาย่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านละฮ์มาย่งหัวใจของท่านเพราะฉะนั้นหัวใจคือแหล่งภาชนะที่คอยรับผลรับพิญญาจากอัลกุรอาน ถ้าหัวใจหรือภาชนะของเราสกปรกน้ําที่ลงมาเนี่ยมันจะสะอาดโอโซนผ่านอะไรแต่แล้วก็แล้วแต่แต่เวลาที่มันลงมาในภาชนะที่สกปรกเราเอาไปใช้ได้ไหมมันทําอะไรได้ไหมแล้วนะักประสาอะไรท่าก็ภาชนะเนี่ยนอกจากมันจะสกปรกแล้วมันคว่ํามันไม่ได้หงายนะมันคว่ำท่านอบีในอีกฮะดิษหนึงท่านบอกว่าเหมือนกับเหมือนกับคว่ํา อ่เอาหาไปคว่ำมมมอ่ะน้ำฝนงมามักมากไม่เข้าไปสักหยดหนึ่งไม่มีสักหยดหนึ่งเลยดำมืดดำสนิทเลยนี่แหละคือหัวใจของคนที่ทำผิดต่อรอสุภานตถาเนี่สาเหตุที่เขาเรียกว่าอันมูม้าตอละปล่อยปล่อยเลยตามเลยปล่อยตัวปล่อยใจนะเหมือนกับบรรดาชาวคำพีเจอาละตละลาตมนิกชาวคำพี Uran, อัลกุรอานคำพีอยู่ต่อห น, น้าพวกเขาทั้งเอ็นเจลทั้ทงซาบุรทั้ทงเตารา์แต่พวกเขาก็ทําแข็งก็เรียว่าทำดื้อนะหัวแข็งกับคํำพีอลัลละตาลาบอกอย่างนี้เอาพยายามเลี่ยงพยายามเลี่ยงที่จะหลบหลีกนะอลัลละตาลาบอกว่าวันเสาร์อย่าจับปลาจับปลาไม่ได้วันเสาร์สมัยก่อนบรรดาชาวยูเนาะอัลละตาราห้ามจับปลาวันเสาร์เพราะเป็นวันสบาโต เป็นวันเขาเรียกว่าวันสำคัญที่ต้องเข้าโบสเข้าอะไรเพื่อไปเคารพพาะเดี่ยวเหรอทีนี้เลี่ยงเลี่ยงยังไงครับพอถึงตอนเย็นวันศุกร์เนี่ยก็เอาเอาแหไ่ไปไปกลางไว้ก่อนแล้วเห็นว่ า, าบางบางบางรายงานบอกว่าวันศุกร์เนี่ยคนเหล่านี้ไปขุดหลุมริมหาดนะริมที่เป็นชายหาดไปขุดหลุมไว้ก่อน น้ำยังไม่ขึ้นมาก็ไปขุดหลุมลุกใช่ไหมครับพอถึงวันเสาเนี่ยพอน้ําขึ้นเหมือนกันว่าไปทำเขาเรียกว่าบ่อปลา บ, บ้านเราจะเป็นสมัยถ้ามีใครที่มีนาเนี่ยสมัยก่อนชาวนาเนี่ยเวลาที่มุมนาเนี่ยจะขุดบ่อเอาไว้บ่อหนึ่งให้เป็นให้ปลาไปไปไปอยู่ตรงนั้นนะครับเวลาที่น้ําแห้งเวลาที่เขาอะไรนะเกลียวข้าวหมดแล้วเนี่ยก็จะไปวิดน้ําออกแล้วก็เอาปลาวันศุกร์เนี่ยไปขุดไว้ เราไปขุดหลุมลึกใหญ่โตน้ํำก็เข้ามาวันเสาร์ไม่ได้ไปจับปลาครับไปจับเอาวันอาทิตย์แต่ปลาก็เต็มนี่เขาเรียกว่าอยู่ข้ดิอุนอัลลอฮ์หลอกอัลลอฮ์ละอิลลาห์อิลลัลลอฮ์ أستاوف ุลลอฮ์ตุเบล่นึกว่าพระองอัลลอฮ์กำลัวแต่เราไม่รู้ว่าก็ในพวกนี้มันมันคิดว่าตัวเองฉลาะเลี้ยงอัลมุมานะไม่อย่าหัวแข็งดื้อแล้วก็ สารพัดสารเฟสสุดท้ายลอสฟาวตาก็ลงโทษคนพวกนี้ด้วยกันอะไรฮะกิรเดตัณขาศีนฟะ จ, จัลนาฮะฟะจฟะจัลนาฮุมกิรเดตัณขาศีนเป็นลิงอัอซุบิลลาเพราะว่าขัดขืนคาสั่งของอัลลอ์นะแล้วตอนที่ให้ฆ่าวัวพยายามหลบเลี่ยงไม่ยอมฆ่าสุดท้ายก็ต้องฆ่าวัวที่แพงที่สุด นะตอนแรกบอกให้ฆ่าวัวตัวไหนก็ได้เราไปหาถูกๆก็ได้ลูกเล็กเด็กแดงขนาดไหนก็ได้ไม่เอาพยายามเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยเลี่ยงจนกระทั่งสุดท้ายต้องฆ่าวัวตัวที่แพงที่สุดตัวที่ดีที่สุดตัวที่พวกนี้เนี่ยกําลังบูชากันอยู่เอาดูเปตางทั้งหมดทั้งปวงนั้นอตรถาลาบอกว่าหัวใจที่แข็งกระด้างสาเหตุที่มนุษย์เราหัวแข็งจริงๆแล้วไม่ใช่หัวแข็งหัวใจแข็ง ไอหัวแข็งเนะี่ยไม่เท่าไรหัวใจเนี่ยมันแข็งกระดา้างมันไม่รับขีดายัดมันไม่เชื่อฟังมนุษย์เราเนี่ยจะมีหลายระดับเพราะฉะนั้นแม้แต่วิธีการวิธีการเชิญชวนเนี่ยมันก็มีหลายระดับเหมือนกันอลัลกุรอานพูดแนะนำท่านนบนีสุลต่านเวลาที่จะไปด่าว่าคนอื่นเนี่ยมีสามระดับในระดับแรกอดุด้งอีลาสบิลรับบิกะบิลฮิค مة มันจะมีคนประเภทหนึ่งคนประเภทง่ายๆหัวใจสะอาดบริสุทธิ์เราไปบอกอะไรสักคำสองค ำ, ก, คำก็รับแล้วเชื่อแล้วอันนี้ให้พูดไปตรงๆไปเลยบอกไปตรงๆเขา ก, ก็รับประเภทที่สองเนี่ยประเภทแบบครึ่งๆกลางๆบางทีก็อาจจะหลงลืมบ้างอันนี้บิลเมาอ็ซอติลเฮนจะต้องใส่ผงชูรสเข้าไปนิดหน่อยเวลาพูดก็คือต้องใส่โอได้บุญเท่านี้นะได้อะไรคือให้กาลังใจ อ๋อส่วนเรื่องที่มันผิดก็พยายามบอกถึงอาซาห์ของเราจะอะไรให้เขาสํา น, นึกกลับขึ้นมาใหม่คนระดับที่สองคือไม่ไม่ไม่เชื่อแบบคนประเภทแรกแนละ้วประเภทแรกก็คือฟังพูดอะไรก็เชื่อหมดเลยแล้วแต่อาจารย์ว่าอะไรก็คือเอาหมดเลยแต่ประเภทที่สองนี่เดี๋ยวฟังก่อนอาจารย์นี่มันจะพูดยังไงอันนี้ต้องใช้เทคนิคอีกขั้นหนึงในขณะที่ประเภทคนประเภทที่สามก็คือคนที่หัวแข็งคนที่ดื้อด้านเนี่เราแต่ละศาสตร์ให้โต้ ว่จะดิฮัมบินละทีฮียอัพสันให้โต้ด้วยวิธีการที่ดีเพราะฉะนั้นมันมีสเต็ปของมันนะไม่ใช่พอถึงปุ๊บเราโต้ก่อนเลยต้องวนะิเคราะห์ะคนก่อนนะครับเพราะวิเคราะห์คนก่อนว่าเออคนนี้เนี่ยพูดเฉยๆได้ไหมถ้าพูดเฉยๆได้ก็พูดเฉยๆไม่ต้องไปโต้หรอกโต้เนี่ยเอาไว้หลังสุดนะและถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีอะไรก็อย่าไปโต้กับเขาเดี๋ยวจะกินตัวเองนะเดี๋ยวจะหันกลับมานะมาทําร้ายตัวเองนะครับ นี่คือสภาพที่อัลลอฮฺสุบไบร์ตลาบอกว่าคนหัวใจแข็งคนใจคนที่หัวใจแข็งกระด้าง น, นะไม่ใช่ใจแข็งที่ดีนะใจแข็งที่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ใจแข็งกระด้างไม่ยอมรับความถูกต้องตัดสินไปแล้วมันไม่ยอมรับไม่เอายังดือ้อยังอัลลอฮฺมิจะละนะอัลลอฮฺะเป็นข้ามิกลิขณาอัลลอฮะเป็นข้ามิกลิขิอุลกลุะขออุดมอัลลอฮฺสุบไบร์ลาอย่าให้เราเป็นคนเย่ยงนี้นะครับเพราะเมื่อไหรที่เรามีหัวใจแบบนั้นเนี่ยมันยากมาก นะเอาหมอที่ไหนมารักษาเขาไม่รู้ไม่รู้จะหายหรือเปล่านะครับโรคอื่นเราพอจะรักษาได้มะเร็งมันยังรักษาได้แต่ใจที่มันถูกปิดสนิทแล้วเนี่ยเนะอาสุบิน ล, ละมันจะเล็งคงคงหายากมากนะไม่รู้จะไม่รู้จะเอาโต๊ะครูมาปัดเป่าแล้วนะถ้าใจกระด้างขนาดนั้นาลาเอาเราลาปวดใจลาบินละไม่เพียงเท่านั้นถ้าใครที่ใจแข็งในโลกนี้นะครั บ, รรบลอกมาจะลาบอกว่า “ขลล์”“อินนั้ม” “عر บ ّهم” “يوم إذن لا محجوبون” ن ل ه นี่คือผลตอบแทนการทรมานที่หนักหนามากสาหรับพวกเขาวะสลาบอกว่า“ขลล์”“ไม่ใช่เช่นนั้น”“อินนั้ม ع ر อّ ه م “يوم إذن لا محجوبون” พวกเขาเล่านั้น จะถูกปิดกั้นจากอัลลอฮซุบฮานะฮวตาลาไม่ให้มองเห็นพระองค์ในวันเกียตรตินะครับในวันอาเฟรตละอลัลลอฮฺอิลลัลลอฮพี่น้องครับเนืมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในสวรรค์ในสวรรค์นี่มันมีทุกอย่างแล้วยังอื่นนะเราจะกินอะไรเราจะอนะไรอัลลออักบรน้อธิบายด้วยสิ่งที่ไม่สามารถจะ เพราะว่าสมองคิดไปไม่ถึงอาจจะจินตนาการได้แต่สิ่งที่เราจินตนาการนี่มันก็มันก็เป็นแค่จินตนาการมันยิ่งกว่านั้นแต่ที่สุดของที่สุดในสวรรค์ก็คือการได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์สุฮาห์อัลต้าลาในโลกนี้เราไม่มีโอกาสได้มองเห็นแต่ในสวรรค์อัลลอฮ์ของเาจะให้เน็มันใหญ่ที่สุดสําหรับมนุษย์ผู้เป็นบ่าวของพระองค์ทุกคนก็คือการได้เห็นพระพักสง่างามของพระองค์ แต่ว่าบรรดาคนที่มีหัวใจเป็นสนิมละตาลาก็เรียกว่าไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปชมอัลลอ์สุบฮา น, นาะตะลาในสวรรค์ได้นดาุบนะิลลเบยลพี่น้องลองคิดดูการนะการลงโทษอย่างอื่นบางทีเนี่ยการลงโทษอย่างอื่นอาจจะดูว่านะอย่างเช่นลงโทษ ด, ด้วย นะลงโทษด้วยการตีลงโทษด้วยการอะไรก็แล้วแต่ด้วยการทําร้ายร่างกายเนี่ยอาจจะไม่เจ็บปวดเท่าด้วยการห้ามบางสิ่งบางอย่างเหมือนลูกของเราบางทีนี่การลงโทษลูกนี่ไม่จําเป็นต้องตีแต่เราว่าวันนี้ลงโทษด้วยการอะไรด้วยการไม่ให้เล่นคอมพิวเตอร์บางทีมันเจ็บปวดกว่าการที่เราตีเขาอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาชอบสมมตินะสมมติว่าเด็กชอบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งทําผิด เราอาจจะลงโทษวิธีอื่นก็ได้แต่เราบอกว่าวันนี้อดดูการ์ตูนเรื่องโปรดของเขาสิ่งที่เขาชอบมากๆสิ่งที่เขาอยากจะดูมากๆสิ่งที่เขาอยากจะเห็นมากๆแต่เขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้ดูมันเจ็บปวดกว่าการลงโทษที่แบบทำให้ร่างกายเจ็บปวดอีกไปลองคิดดูบรรดาคนกระเซ็นคนที่มีบาปเต็มตัวเนี่ยในวันอคราสเนี่ยพวกเขาเหล่านี้จะไม่มีโอกาสอาลัลลอะลงโทษพวกเขา ด้วยการไม่มีโอกาสไม่ให้พวกเขามีโอกาสได้เห็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนอยากเห็นเราทุกคนบนโลกนี้อยากเห็นนะอูซุบิลลาฮ์มิลัลลเพราะฉะนั้นบาปเนี่ยอันตรายมากนะครับน้องต้องจำเอาไว้ให้ดีบาปเนี่ยอันตรามากจะทำเรื่องเล็กๆกับบาปไม่ได้นะเราจะทำเฉยเมยกับบาปไม่ได้ทุกครั้งที่เราเผลอทําผิดเราก็ต้องรีบกลับไปตาบัตัวจะอลอสบาตต้าลาทันที ไม่อย่างนั้นแล้วนะครับเราอุทิศในหลังจากนั้นอน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้ที่เข้าไปทนทุกข์อยู่ในไฟนรกที่มีเปลวอันโฉดช่ ว, ชวไม่ได้ดูพระองค์แล้วนะสิ่งที่ดีไม่ได้เห็นซ้ำานำำําซ้ำยังต้องไป อยู่ในการทรมานที่เจ็บปวดชั่วการนาละอิลฮะอิลลอฮฺละฮาวลอละหัวใจละเบลดาไม่พอแค่นั้นสองอย่างแล้วนะอันที่สามซุมมายุกอลูฮ์ดันละดีคุ้มุมบิฮีทุกันซิบูพวกเขาจะถูกกล่าวนะคนกาเฟสเนี่ยพอถึงวันอาเครัตอยู่ในนรกแล้วเนี่ยยังไม่ใช่อยู่แบบธรรมดาไม่ใช่อยู่แบบสบายสบาย ไม่ใช่อยู่แบบโดนลงโทษอย่างเดียวแต่จะโดนเขาเรียกว่สวสาส้ำเติมด้วยคําพูดอาบางทีถ้าโดนทําร้ายเฉยๆมันก็ยังไม่เจ็บสะสมแต่พอมีคนมาบอกสมน้ําหน้าสมน้ําหน้าแล้วมึงทําอย่างนี้สมน้ําหน้ายิ่งเจ็บเข้าไปอีกนั่นทำอะไรไม่ได้โดนลงโทษก็โดนแล้วแล้วมีคนมาพูดส้ําเติมอย่างนี้อีกสุดๆครับสุดๆและไม่มีอะไรที่จะสุดไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรที่จะน่าสมเพชไม่มีอะไรที่จะ นำอาสุดปิดลับมินดะลิกนำอาสุดปิดลับมินดาลิกจากพฤติกรรมเล็กๆอะไรฮะพฤติกรรมเล็กๆมบตบฟฟีๆฮะขายบนอื่นขาย 9.5 ขีดพฤติกรรมเล็กๆอย่างเนี้ยส่งผลยังใหญ่ข น, น, นาด น, นี้เลยเชีหรือครับเพราะ ไอพฤติกรรมเล็กๆที่ว่านี้มันแสดงออกถึงพฤติกรรมใหญ่ๆก็คือไม่เชื่อวันอัตกระั้อันนี้คือหัวใจที่เราจําเป็นจะต้องทำความเข้าใจอย่าคิดว่าพฤติกรรมเล็กๆเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วมันกําลังสะสมมันสะสมนะเล็กๆแต่อาจจะสะสมนานวันนานวันนานวันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหญ่ได้ เพราะฉะนั้นมาช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลหัวใจของเราช่วยกันทําความเข้าใจกับอายัดต่างๆที่อัลลอฮฺสวาบัตตะละกําลังทําความเข้าใจกําลังที่จะสื่อสารกําลังที่จะถ่ายทอดให้เราเข้าใจแล้วพี่น้องก็เข้าใจนะพี่น้องก็นะเรามั่นใจแล้วว่าไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮฺสวาบัตตะละพูดถึงในคัมภีร์ของพระองค์แล้วมันจะไม่มีประโยชน์สําหรับเราไม่มีสิ่งที่อัลลอฮฺสวาบัตตะละห้ามเรานอกเสจากว่าสิ่งนั้น ต้องมีโทษสําหรับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับไม่มีใครที่ไม่ชอบนะครับการตัวงให้ใหเต็มนะการทุกคนอยากจะเป็นอย่างนี้หมดเลยไปถามที่ไหนก็เถอะไม่มีใครชอบหรอกอถ้าใครขายทุดจริตขายนี่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยไม่มีใครชอบแต่เราก็ทําทุกวันแต่เราก็ยังเห็นสังคมยังอยู่กับระบบแบบนี้อยู่เน่าดูเป็นไรมั้งนี่อาจจะเป็นเพราะหัวใจของเรา ถูกปกคลุมด้วยสนินไปจนหมดแล้วก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับมาเคาะต้องกลับมาล้างต้องกลับมาดูแลต้องกลับมาป้องกันไม่ให้มันเยอะไปกว่านี้แล้วเราจะไม่มีหัวใจไว้เหลือเป็นอะไรเขาเรียกบัตรเข้าไปชมสิ่งที่เลิศที่สุดในสวนสวรรค์ของมอสซาปาครับเ <c oughs> ชอรลรอล์นะครับครั้งต่อไปเราจะพูดถึง ชาวสวรรค์บ้างนะครับเราพูดถึงชาวนรกไปแล้วอายะห์ต่อไปสินั้นเป็นชาวสวรรค์กัลลาอินนักีตะบัลลาบราริและซลลีจินอัลลอฮุตะลาฮัลัมบัสลัลลอฮ์มุลาณะบีนะมุฮัมมัดอินุอัลลฮีอัสซัมบิุลลลัมุานะรบบิรบิลซตอัมมาฟนวสลามุะลัมุรสลนฮมดุลิลลาฮอบลอาลีมุลาห์